อานสาด้วยชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบกันใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้เพราะบางท่านนอนไปแล้วคืนนี้แล้วผู้จองสังโยษสามแม่การสหรับอารมณ์เขาบ่โสดาบาันกสิธาคามี ผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นบรรดาท่านผู้บริสัทอย่าไปํานึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างองื่นเขาเตือนซ้ำมาอีกว่าเสกว่าอุปาจิเลตที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในทุกบุริการสูตร พยายามทิ้งจากใจไปเสียกค่อยๆทิ้งอย่าที่ยงแรงเกินไปถ้าที่งแรงเกินไปมันจะช้ำใจเราจะช้ำค่อยๆทิ้งต่งกําลังใจค่อยๆทําไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็บริการอีกสองความดีขั้นสติความดีขั้นกะพีขั้นเปลือกขัก้นเจน ที่สําเร็จเป็นสัมมาทิฏิเจ้าทรงตัดว่านในอุทุมบริการสูตรให้พยายามส่งตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทปเก็บชุดที่อธิบายอุทุมบริการสูตราฟังแล้วว่าจะเอามาจะเพาะในด้านที่ เ, เป็นโซเก็บเป็นกรี้เป็นเปลือกเป็นเกลนดแล้วแล้วก็เป็นวกิเลสพอฟังโดยเฉพาะก็ได้ ก็เป็การเลื้สายกําลังใจฟังไม่เลยเลยจะเกาะจิตจะจะทำลายความชั่วไปทีละน้อยดันน้อยอย่าลักการใจเกินไปอันน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระงับปิวนห้าย้ายฟูขึ้นมามันก็ต้องฟูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดานั่นเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ามันฟูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจ ย่าให้มันไหลมาถึงปากจอหลังมันไหลมาถึงกายอยันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมีสิบสำหรับนิวรณ์ห้าเบการในย่ำสังนิดดีไหมก็คือหนึ่งเออมรักในระหว่างเพศที่เรียกว่ากามชันทะจิตใจดิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมียสองอารมณ์ความโกรธความเบียบาท สามอารมณ์ความง่วงด้วยการฟังธรรมะนี่ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปฟังไ ป, งไปมันง่วงก็เคลิ่มไปเคลื่อนไปนจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่กับเสียงธรรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กําลังฟังอยู่ถ้า ห, หลับอยู่นั่นถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกาไร เพื่อเราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช้ได้ดีมากนี่เลวลาฟังไปฟังไปเป็นเครื่องอยหลับอย่าไปดึงใจเขาให้ปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กําไรเจ้าผลจากการฟังและการหลับมีการแนะนําแบบนี้อาจจะแนะนําไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าขอแนะนําตามที่พระ อ, อริยเจ้ากันแนะนํามา แล้วก็ยหลงทิดว่าผมเป็นพระ อ, อริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระ อ, อริยเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าว เ, เท้าท่านสั้นตามพระ อ, อริยเจ้าไปเท่านั้นจะทัานท่านเมื่ไรก็ตามใจเถิดเราเก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่า แต่เราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถูงจุดหมายปลายทางไปเอ ง, งเ 3, ข้อดีสาข้อดีสี่คือความพุ่งสั้นย้ายมีในจิตช่วยรงับไว้ข้อดีห้าสงสัยในผลความดีของพระเจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงยั่งมีมั่นใจว่าทำความดีเมื่อไรได้รับผลความไม่รับอนุสง์เมื่อนั้นูิทีระงับในวรรห้ารายการก็ไม่ยาก คือตั้งใจฟังเสียงที่อย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิวรณ์หรายการสลายไปจากจิตและโซ่คราวขณะใดท่านนิวรณหรายการสลายไปจากจิตขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานปฐมฌานนี้ไม่ใช่เราไม่รู้สึกตัว ร, รู้ตัวเสมอได้ยินเสียงตลอเวลาแต่ไม่ดำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌาน วันหารายการวิายามระงับด้วยวรรณนุบาลหน่อยไม่ช้ารามันก็จะชิ้งไปไม่ว่ากินข้าต้มย่ากระจมกลางตามภาสาโบราณเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทําไปตามเวลาตามการต่อสมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็บรรทบกผลบารมีสิบราการ มีวันห้าบริการระ ง, งับมีวันนิบรามีศึกากทํทำให้เกิดขึ้นบา ร, รมีมี่แปลว่า ก, กําลังใจเต็มหนึ่งทานบรรมีเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อใดจะให้เหมือนนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในใจค า, านุสติกรรมฐานเป็นกำไรสองสินบรรมีค้บกบรหนดสิทธ เราครบเพื่อนแล้วดีอย่างคึกไว้ระวังไว้ส่งไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงชาในศีลานุติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกําลังใหญ่สามเนคขมะระมีมัน ม, น ม, น ม, นมารมีการรังงับมีวร อ, อันนี้เป็นข่าวคราวเป็นช่งชวงๆทําได้แล้วดีอยังถ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเราทรงเนคขมะระมีได้ดีแล้วก็ดีวะไม่สมควรเป็นโลกีวิสัย นี่ธรรมะบา ร, รมีนี่จะทำลายได้ให้หมดไปก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าขันพระละหันค่อยๆทำไปตามรยะตั้งกำลังสามปัญญาบา ร, รมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันห้าคือร่างกายว่าร่างกายเปรอ น, นิจังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขังมันเป็นทุกข์ร่างกายเปรียญตามันพัง อย่างนี้เรามีอยู่เสมอแล้วหรือยังให้คิดมมไว้เสมอว่าไว้ตามอารุปรฐานนอากันมากินจัน ญ, ญายตัณฑ์นั่นก็คือว่าคิดว่าคิดตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนแลสัตว์คนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นต่เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่ซึ่งก็สร้างมีอยู่พังหมด อย่างนี้สำเด็จพระบริบาลสุขขสคตช น, ส น, สนทรเสินจะเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าริยะบรมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั้งธรรมกิจการงานของวัดอาคารันคันกิจการงานของวัดที่เรียกกันว่าคันธาตุระในการทําลายกิเลสที่เรียกยว่าพิปัสนาทุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท่อถอยใช้ไม่ได้ ใน่วกท่านต้องไม่ท้อถอยทาไปจนกว่าจะชนะขันตุเวลมีอดทนใจสไว้ต้องต่อสู้อารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานจิตใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันถ้าจะบวลมีรักษาความจริงใจสไว้ว่าเราบวชเพื่อหนิพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อนิพานจริง อริธานุานบ ร, รมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว่าเปล่งวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบทพุทนิพันธ์เราจะไม่ยอมทอดถอยไปสู่ใบภูมิเมตตาบ ร, รมีทําหน้าตาด้จิตใ จ, จช่อคชื่นตลอดเวลาถ้าให้คนทั้งหลายเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีค็เพิมใิยังอุเบกขาความบ ร, รมีการไม่ดิ้นรนต่อรมต่างๆที่เข้ามาขวางใจ ไม่วันไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สมบายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วนี่ยังถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทําให้มีบทีละน้อยละน้อยอารมณ์ติดจะเป็นสุขถ้าบารมีสืบราการนี้ครบพ้นสมบัติถึงความเป็นพระอริยเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงแล้ไม่ถึงอย่าไปสนใจ สนใจที่เห็ว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารมณ์ขมเโส้าดาวบักนกระสศี ธ, ธาคามีวันนี้ก็มาพูดกันทึงว่านาคามีจะถึงรวล า, าหันว่าไม่ก็ไม่ทราบค่อยๆทำไปนะครับมันดาเพื่อนดีโสดสมเด็จทั้งหลายแล้วมันดาญาโยมพุทธบริษัท ค่อยๆทำไปอย่าทำให้มันรุนแรงนักตามกำลังของเรานั่นก็คือว่าสาหรับฟังเยอะสาหรับ ว, วนาคามีเพิ่มอีกสองคือหนึ่งตัดการมาฉั น, นทะสองตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจตั้ตงกระทู้ตั้งอารมณ์ สำหรับกาไมฉันทะมีสําหรับผ้านาคามีพผ้านาคามีนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสําหรับพระโสดาบันกับพระสีธาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอทิย์ศินคือมั่นคงในสินที่อยู่ในสภาพของเราพระว่ า, วากอสินห้าเนนสินสิบพระสินสองรอยยี่สิบเจ็ ถ้ามีความมั่นคงจริงๆจิตต้องการผลิพานทั้งถือว่าเป็นโสดาบันหรือพระสีธาคามีตามอารมณ์สำหรับพระนาคามีนี่เป็นผู้ทรงอธิจิตมีจิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นฌานเป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งจะต้องเจริญเอสุภกรรมฐานกับกายยตาต้อตื่นให้เป็นฌาน ทำแมเวันชานีพงค์ขอแก้สัพท์คำว่าชานวัาชินให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนันก็คือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายขโมคนเองก็ดีเป็นของสุขโบกโสโครก ถ้าผมพูดอย่างนี้คนที่หนักใจความรักในระหว่างเพศหรือคนที่มีราคาจริจัดจะบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดเป็นธรรมะก่อนหลับดีมาดีถึงตอนนี้แตบางท่านอาจจะหลับไปแลว้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังฟังเสียงได้กำไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบ ในจุดจับยในธรรมพอสงควรถือว่าเป็นฌานในธรรมสวนนั่นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปยิงกว่าจะตื่นนิจิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดต่นิดไม่ช้ากำลังจิตของท่านจะพ่องสายจากกิเลส ก, ก็เป็นอน้ว่าต้องใช้กายยัคตาลวติคือพิจนารณาร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเราเนี่ยแหละมันเป็นศัตรูร้ายเรื่องไรถึงว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความงโง่ทำไมจึงว่างโง่ถ้าพวกท่านงโง่แล้วผมงโง่ไหมผมก็ยอมรับว่าพราะผมรู้ตัวผมงโง่จึงรู้ว่าท่านงโง่ถ้าผมคิดว่าผมฉลาดผมก็ต้องคิดว่าโพท่านฉลาด แต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างสร้างจากกำลังเงินของบรรดาญาโยมพบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งแล้วก็ไม่ใช่คำว่าเจ้าอาวาสไม่จาเป็นเราอยู่ด้วยกันชัน้นพี่ชั้นน้องเป็นสุขกว่า ไม่ต้องรอให้ใครทํามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนดี่เขาย่องให้ปฏิบัติตามเขาผมทําไม่ได้หรอกผมก็เร็วอยู่แล้วยิ่เร็วตามคนอืีมันก็จะมาเพิ่มความเร็วของผมผมทําไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเราเอา อย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาเล็วสมหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเลวก็คือเรายังเร็วอยู่ถ้าผมรู้ว่าผมเร็วผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเลวเขาเลยเขาดูข้่งเขาาเรามาพูดถึงเรื่องของเราว่าร่างกายทำไมจึงเห็นว่าสกปรกว่าก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมาก รักร่างกายเป็นที่สุดก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันตื่นฝันกินข้าวกินปลายด้า น, นหน้าผู้หญิงสมัยโน่นะก่อนบทความจริงจิตเป็นฌานจริงๆจิตเป็นฌานในราคะจริกรรมาฐาน ในราคาจะจริตกรรมฐานานี่เป็นฌานแบบนี้มันลงนรกยึดมันเศร้าหมองไม่มีรมเป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีรมเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชาญติโสโกปิยโตชาปฏิชาญาติประรังปะพยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่น ความรักมีที่ไหนมีภา ย, ยอันตรายที่นั่นรักไม่สมหวังกำลังใจก็เสียใครก็มาแย่งความรักก็เกิดโกรธตอนนี้ก็ย่งมพิฆาตเค่งฆ่ากันคิดทำร้ายกันแ ก, แกล่งกันมันก็มีภายอันตรายแต่มาตอนนี้ตันแก่ใ้ร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเลวทั้งหมดทั้งร่างกาย ภายนอกเร็วขนาดนี้ร่างกายภายใ น, นยใเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยป่วยตลอดเวลาป่วยเป็นอาชีพป่ยพวยทุกวันแต่ว่าชาว บ, บ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกผมก็ทำหน้าตาช่ำช่นกลับมาปกติผมก็อาเจียนใหม่ ดังการเดินทางไกลๆนาทบุรีพศ2527ต้องพักแตแล้วอาจจะไปบ้างบางคราวนี้เมื่อร่างกายมีกำลังาะคงจะหวังไม่ได้ยากก็เร่มความว่าร่างกายข้างนอกก็เร็วเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตัางนานแสนนาน ดยไม่ดีก็เกินเข้าไปเพราะดื้อออกมามือของเราไม่อยากแตะทำลายของเราเองยื่นใสยเห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรกแต่ก็อยู่กับความสกปรกซะจนขินต้องไม่รังเกียจร่างกายที่ขณะที่ในปากที่เป็นหวัดตอนนี้หาใจไม่เคยออกแล้วเป็นวัดหลังจากนั้นก็พิจานณาต่อไป ร่างกายภายนอกของเราสอาดหรือสกปรกที่เราต้องอาบ น, านรรา้ำชำระร่างกายกันตามปกติเพราะร่างกายมันสกปรกขัดสีถวีวันทำไมสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอาบ น, า น, บนา้ําบันดาลหลายครั้งมันก็สกปรกอยู่นั่นดูเข้าไปข้างในสนังกัดอุจจาระปัสสาวะที่เราบังเกิด ก, กัน ว่าอย่างน้อยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาให้วาจาระปัสสาวะทั้งหลายนี่มันมาจากไหนมนอยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เรารลังเกยดมันมอยู่ที่ไหนย่ในร่างกายของเรารู้ความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนก็ซากศพดิก ท, ที่เคลื่อนไหวก็ยังไม่จงหนักมันก็เหมือนไถ ท, ที่ใส่วัาระ ทั้งเน่าแต่ผิวพรรดีหน่อยก็มันก็บท่แพร่ผิวพรรณไม่ดีก็เหมืนกับผ้าท่ผ่าดิบที่ผิวพรรณร่างกายหยาบเป็นยุทธึงก็เหมือนก็เพื่อก็เมืนกับท้ยที่ทําแล้วก็สอบเข้าสารข้างในเต็มได้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นํามาทึ้งความทุกข์อุจนานาประการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ ต้เวลาเขาเปิดหงมรักษาพยาบาลมาด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวันนั่นในที่สุดมันก็ตายใจชิดอย่างนี้จนทั้งมีความเบื่อนหน่ายในร่างกายหมดกําลังใจที่จะรักร่างกายของเราและก็หมดกําลังใจที่จะรักร่างกายข้าวงคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายข้าวงคนอื่นก็นดีมีสภาพเหมือนสุ น, นัขเนา่า ทีนมาแขวงคอเราหรืว่ามือสภาพมันก็งงเน่าที่มาแขวงขอเราร่างเกียจติในร่างกายเป็นปกติเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นโงไทยอุจาระเป็นปกติจึงต้องมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผิวพันเขาบุคคลใดในสวดทรงเขาบุคคลใดเห็นแล้วอะไรร่างเกียรติเมื่อนั้น อย่างนี้ตัดการมฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้จัดว่าเป็นอนาคามีมั้งเป็นนาคามีมักงเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองคงใช้กําลังที่เข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พริหารสีน่นำหน้า หรือกว่าไม่ชอบใจในพรมิหารสีก็ใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึง่งนีก็สีส้มแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะให้พูดาภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานเรียกวา่าทําพรมิหารสีให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินกระสินเป็นฌานสีเป็นปกติพรมิหารสีเป็นฌานสีเป็นปกติ ในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกับท่กับท่านใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้นจะเหลือด้วยความเมตตาปราณีมีความยินแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทําผิดให้อภัยเสมอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบียบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลส ตะมีระเบิดในไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ได้ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทําชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทําถ้าฟื้นทําข้อนหนักหนักองค์เสวยพระพุมีพระพ่อเจ้าก็ทรงตัดทุงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตเกี่ยวามเธอไม่ใช่โลสิตของตถาคตนั่นเอง ถ้าเขาผิดระเบียบวินัยระหว่างนีต้องลงโทษต้องตักเตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้จังท่านกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธและความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจข้าพานัคามีเต็มขั้นแต่อวลรจะเป็นถ้าพนาคามีจริงและไม่รจริงก็อย่าเพิ่งนึก คิดว่าเราจะทรงกําลังตามท่านเราจะเป็นนาคามีแลรืไม่นั้นไม่มีความสําคัญทรงกําลังใจให้อย่างนี้ได้ก็แล้วกันอลัลบรรดาท่านพุตตวริษรทุกท่านวันนี้ดยเวลาก็มาจอดแคบอาณาคามี อ, อนณาคามีผล้เพะนั้นขอบรรดาท่านพุทธสาวชนกิจชนที่กําลังรับฟังและเพื่อนบิณฑบาตมานเอง พยายามรักษากําลังใจต่ำนี้วันละนิดวันลหน่อยทําไม่่อยส่งอารมณ์ชิงจะเกิดขึ้นคนรู้สึกความพอใจในระหว่างเพศหรือความไม่ชอบใจจะหมดไปจากําลังใจเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อน้อความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูลนผลจงมีเดียบันดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัส